เดินเลื่อยเปลยไม่มี <ye> สติอะไรเง in ี้ยบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนถ้าเราฉลาดเราปฏิบัติบูชาไปด้วย <sty les> เดินไปด้วยความรู้สึกตัวหรือเราเดินจงกรมบูชาท่านทั้งนามิสบูชาทั้งปฏิบัติบูชาก็ควบกันไปในขณะเดียวกันเลยนี่ยทำอย่างนี้ก็ได้บุญเยอะ การทำบุญบางทีก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาเหมือนกันขาดสติขาดปัญญาก็บุญน้อยพวกเราก็หัดฝึกอยู่เรื่อยๆพยายามทุกก้าวที่เดินเดินด้วยความรู้สึกตัวหัดจนเป็นนิสัยหลวงพ่อไม่เคยเดินไปเหยียบตัวอะไรตัวอะไรเ ด, เดินไปตามพื้นเห็นเด็กๆมันมาเหยียบเอาไว้เรื่อยล่ะ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 จะทำให้ย่อมๆกระทัดรัดครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าต้องทำทางเดินรอบบวชข้างในด้วยอยู่ใต้หลังคาันมีทางเดินรอบขึ้นมมานะเลยมโหลานเลยโตกว่าสารานี่อีกแล้วยังมีทางเดินรอบๆข้างล่างอีกที่ตรงนี้เกือบหมดนะข้างหน้างั้นเดินให้สะใจเลย เมื่อชาวไขมาบ้างมากันหมดเลยไม่ชาวรู้เรื่องเลยเรื่องปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสุบัทสําคัญมากเลยถ้าเห็นแจ้งปฏิจจสุบทัทมันก็ข้ามภพข้ามชาติได้ในปฏิจจสุบทัทิสบสองขั้นตอนถ้าสิบสองขั้นตอนมีแต่เรื่องรูปนาม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 สิบสองขั้นตอนนะท่านสอนนะก็ะจะเห็นว่ามันสัมพันธ์กันเนี่ยหลักธรรมะของผู้เจ้านะ่ะอัศจรรย์มากเลยท่านสอนถึงสิ่งซึ่งเป็นเหตุเป็นผลสัมพันธ์กันะสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาไม่ได้ปรากฏลอยๆต้องมีเหตุมันถึงจะเกิดสิ่งสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นนประกอบด้วยเหตุจํานวนมากเลยไม่ใช่หนึ่งต่อนหนึ่งด้วยในความเป็นจริงประกอบด้วย